สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหรคุณชอบเล่าวันนี้ขอจัดตามคําแนะนํานะครับเกี่ยวกับตำนานกระสือผีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานมากกระสือเป็นตำนานเรื่องเล่าน่ากลัวที่ถูกเล่าขานกันมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือเรื่องราวของหญิงสาวผู้ต้องคําสาให้ตัวเองต้องกลายเป็นกระสือในยามค่ําคืนลักษณะคือผีที่มีเพียงศีรษะติดกับหัวใจปอดตับไตและลำไส้สามารถเปล่งแสงสีออกมาได้ และลอยไปไหนมาไหนได้เพื่อออกหาอาหารกระสือ น, นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าขานแต่ในประเทศไทยเท่านั้นชาวเขเมี่เรียกกระสือว่าอับส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวโดยเฉพาะหญิงงามตกดึกจะถอดทิศสะและส่วนเครื่องในที่ติดกับหลอดลมออกจากร่างกายและลอยต่าๆไปหากินนอกบ้านผีอับของชาวกัมพูชาจะมีเขี้ยวแหลมแบบผีดูดเลือดฝรัง่งและละไม้คล้ายกับกระสือของลาวด้วยต้นกําเนิดของผีอับนั้นมาจากความเชื่อของชาวฮินดูในอินเดีย กนที่จะเผยแพร่เข้ามาสู่กัมพูชาผ่านพ่อค้าและผู้อพิยพย้ยายถิ่นตำนานเล่าว่าผีอับเกิดจากไซยาสตร์และคำสาปของแม่มดหรือผู้มีมนต์ดำในไทยเองก็มีการบอกเล่าเรื่องราวยุคมืดของกัมพูชาราวกลางศตวรรษที่18ถึงเจ้าหญิงเขเมรผู้เลอโฉมที่เมื่อต่อมากลับกลายเป็นผีอับโดยมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเจ้าหญิงของเขเมรผู้น่าสงสารที่ถูกไปบรรณาการเป็นชายาของเจ้าเมืองสยามเพราะเมืองของตัวเองพ่ายแพ้สงครามเมื่อการครั้งนั้น เจ้าหญิงไม่เต็มใจกับการแต่งงานครั้งนี้เพราะเธอนั้นมีคนรักที่กำลังคบหากันอยู่ชายผู้นั้นเป็นพีงทหารหนุ่มผู้ต่ำต้อยถึงแม้ว่าเจ้าหญิงจะแต่งงานกับเจ้าเมืองสยามไปแล้วแต่เธอกลับยังรักลอบพบกับทหารหนุ่มผู้นั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกเจ้าเมืองสยามจับได้ว่าคบชู้สู่ชายนั่นจึงทำให้เธอถูกสั่งประหารโดยการเผาทั้งเป็นในอีก3มวันต่อมาข่าวการประหารชีวิตของเจ้าหญิงได้ถูกเผยแพร่ออกไปหมอผีขมินผู้จงรักภักดีรู้เรื่องเขา้าจึงต้องการจะช่วยเหลือ แต่กว่าจะรู้มันก็เกือบสายเสแล้วจะให้นิ่งดูได้มันก็ยากเกินกว่าจะทําใจนั่นจึงทําให้หมอผีใช้เวลาในคืนสุดท้ายจัดเครื่องเส้นในพิธีโดยไมร่รีรอจากนั้นจึงเริ่มร่ายเวทมนต์คาถาวิเศษเพื่อหวังให้สายเวทครั้งนี้เดินทางไปช่วยปกปัก ร, รักษาเจ้าหญิงอัมเบธิรักไม่ให้ต้องถูกไฟครอกตายอย่างเวทนาเพียงแต่ช่วงเวลาในการร่ายบริกรรมคาถามันใช้เวลายาวนานมากมากเกินจนไม่ทันการเพราะยังไม่ทันที่หมอผีจะร่ายเวทมนต์จบเจ้าหญิงก็ถูกไฟเผาต้องเป็นเสแล้ว แต่จะบอกว่าคาถาที่หมอผีไายไปมันไม่ได้ผลก็ไม่ใช่เพราะหลังจากที่เธอถูกเพลิงเผามอดไหมลาตัวส่วนล่างนั้นคาถากันไฟก็เพิ่งจะสแสดงฤทธิ์และช่วยได้พียงส่วนศีรษะลงไปจนถึงเครื่องในและสิ่งนี้มันก็เลยทําให้จากคาถาป้องกันไฟกลายเป็นคํำสาปทําให้ผู้หญิงเหลือเพียงหัวกับเครื่องในและกลายเป็นกระสือต้องออกหากินในยามค่ําคืนสําหรับนิสัยและการอยู่กินของผีอับขเมศจะเหมือนกับกระสือลาวมากกว่ากระสือไทย คือกินเลือดเป็นหลักรวมทั้งมีความโหดร้ายและอาฆาตแค้นมากกว่าการก้มหน้ารับกรรมสืบทอดเป็นไทยยากกระสือแบบบ้านเรานอกจากความเชื่อแล้วผีอับจะมีบทบาทต่อวัฒนธรรมในกัมพูชาแม้จะไม่มีรูปปั้นหรือภาพเขียนโบราณก็ตามส่วนตำนานความเชื่อกระสือของไทยนั้นกล่าวกันว่าผีกระสือก็คือผู้ชนิดหนึ่งวิบากกรรมที่ทําให้เป็นผู้ตอนเป็นมนุษย์นั้นคือพวกประเภทหากินมิชอบคือหลอกลวงต้มตุ๋นเพื่นมนุษย์ เช่นนำของปลอมมาหลอกขายเป็นของจริงหรือของโบราณไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามตายแล้วก็จะไปเป็นเปรตก่อนมีความหิวโหยมากชอบกินของที่บูดเน่าเหม็นสกรปรกและขาวโดยจะเข้ามาสิงคนที่มีวิบากกรรมเหมือนที่ตนเองเคยทาเมื่อตอนที่เป็นมนุษย์คือไม่ใช่ว่าจะเข้าสิงใครก็ได้จะเข้าสิงได้เฉพาะบุคคลที่มีความสามารถพิเศษคือมีวิบากกรรมอย่างเดียวกันคล้ายๆกับแรงดึงดูดที่จะนําพาไปหากันได้และในบ้านเราก็มีบันทึกตํานานของกระสือไว้เช่นเดียวกัน ตำนานแรกกล่าวว่าในหมู่บ้านหนึ่งมียายแก่คนหนึ่งที่ปลูกบ้านอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีหลานแกมักจะรับเด็กคนหนึ่งไปนอนเป็นเพื่อนแกเป็นประจำและแกก็มักจะชวนเด็กคนนั้นออกไปหาปลาในตอนกลางคืนซึ่งก็ไม่เคยที่จะได้ปลาอะไรไอ้ที่ได้มาก็คือหอยขมทุกครั้งที่ออกไปหาปลาเจ้าเด็กคนนี้อดสงสัยไม่ได้ว่าที่ยายแกพาไปหาปลานั้นคือที่ไหนกันแน่มันคลับคล้ายคลับคลาแต่ก็จําไม่ได้วันหนึ่งเจ้าเด็กคนนี้ก็ทนความสงสัยไม่ได้ เจ้าเด็กคนนี้ก็เหลือผ้าขาวไปผูกไว้กับต้นไม้เพื่อเป็นเครื่องหมายเพื่อเวลากลางวันจะได้ลองหาดูแต่พอรุ่งเช้าเมื่อเด็กคนนี้กลับบ้านก็เห็นผ้าขาวที่จําได้ว่าผูกไว้กับต้นไม้นั้นผูกติดอยู่กับเสาบ้านนั่นเองเจ้าเด็กคนนั้นรู้ได้ทันทีว่ายายแก่นั้นที่แท้ก็คือผีกระสื อ, อหอยขมที่หาได้ก็คือขี้ไก่ใต้ถุนบ้านนั่นเองตำนานที่2เกิดขึ้นณหมู่บ้านหนึ่งที่มีวัดเล่ากันว่ามีเด็กคนนึงที่มักจะอุ้มน้องมาเล่นที่วัดเป็นประจํา และที่วัดนั้นก็มีส้มโอกําลังออกผลอยู่ทีนี้เจ้าคนน้องเกิดอยากได้ส้มโอก็ร้องไห้บอกให้คนพี่ช่วยเด็ดส้มอูอให้คนพี่ก็บอกน้องไปว่าส้มโอวัดเด็ดไม่ได้เดีด๋ยวสมพานจะตีเอาแต่เจ้าน้องก็ร้องจะเอาอยู่นั่นแหละและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นอยู่ในสายตาของสมพานซึ่งแอบดูอยู่โดยที่เด็กทั้งสองไม่รู้ตัวในที่สุดมาทนรบเร้าไม่ไหวเด็กคนพี่ก็เลยต้องเด็ดส้มโอให้น้องสมพานเห็นดังนั้นก็แกล้งขู่ไปว่าเด็กนี่มาเด็ดส้มโอในวัดได้ยังไงจะตีให้หลังลาย เด็กคนนั้นก็บอกว่าอย่าตีหนูเลยหนูขอยืมแม่น้องเล่นสักพักหนึ่งเดี๋ยวหนูจะไปติดคืนให้สมภารเลยถามว่าเด็กไปแล้วจะติดคืนได้ยังไงแต่เด็กคนนั้นกลับบอกว่าได้สมภารเลยบอกว่าถ้าติดไม่ได้จะตีให้หลังลายสักพักเมื่อคุณน้องหายโยเยคุณพี่ก็ขอส้มโอคืนแล้วก็ใช้น้ําลายแตะตรงคั่วแล้วนําส้มโอไปติดคืนได้เดิงเดิมสมภารเห็นดังนั้นก็แปลกใจไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กๆแค่นี้ก็มีวิชาอาคมด้วยความสนใจเลยขอให้เด็กสอนวิชาให้ แต่เด็กคนนั้นกลับบอกว่าไม่ดีหรอกและพยายามบ่ายเบียงสมภารเห็นดังนั้นหรือต้องคูด้วยเกรงสมภารเด็กคนนั้นเลยบอกให้สมภารอ้าปากและเมื่อสมภารได้ฟังก็อ้าปากทันทีเด็กคนนั้นก็ถมน้ำลายใส่ปากสมภารทันทีเช่นกันและเมื่อเด็กกลับไปแล้วสมภารก็ทดลองเด็ดส้มโอและก็ติดคืนก็ปรากฏว่าสามารถทําได้สมภารดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้วิชานี้มาโดยไม่ต้องมีอภิญญาใดๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปบางสิ่งที่ผิดปกติก็เริ่มขึ้น สมภารเริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้สมภารได้เรียกพระลูกวัดมาสอบถามว่าสองสามวันมา น, นี้ตัวเองมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าพระลูกวัดก็ตอบว่าไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินี่นาสมภารเลยเปิดที่ดูใต้เตียงพระลูกวัดได้เห็นถึงกับตกใจเพราะใต้เตียงนั้นมีอุจจาระแห้งอยู่จำนวนหนึ่งสมภารบอกว่าสองสามวันมา น, นี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกิดอยากจะกินแต่ก็ยังทําใจไม่ได้เลยกเก็บเอาไว้ก่อนที่ใต้เตียงพระลูกวัดได้ฟังจึงได้ถามถึงที่มาที่ไป สมภารเลยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ดินวิชากับเด็กคนนั้นก็มีอา ก, การแปลกๆแบบนี้พระลูกวัดเลยบอกว่าแน่นอนเด็กคนนั้นเป็นกระสือและท่านเองก็กําลังจะกลายเป็นกระสือและเมื่อได้เจอเด็กคนนั้นอีกสมภารก็รีบเข้าไปต่อว่าทันทีตําหนิว่าเด็กมาแพรเ่เชื้อกระสือให้ตนได้อย่างไรเด็กคนนั้นก็บอกว่าท่านบังคับหนูเองนี่นาแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าท่านถมน้ำลายใส่ปากหนูคืนท่านก็จะไม่เป็นอะไรอีกแล้วสมภารได้ฟังก็รีบทําตามทันทีและก็กลับคืนสู่ปกติในที่สุด ก็ น, นับประสมพานยังพอมีบุญเก่าเหลืออยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นที่ไหนเช่นกันโดยตำนานนี้เกี่ยวกับความรักเป็นเรื่องของคู่รักชายหญิงสองคนวันหนึ่งทั้งสองได้นัดเจอกันที่ท้ายนาตามประษาคนรักกันฝ่ายชายได้ไปรออย่างที่นัดหมายก่อนแต่ก็รอนานก็แล้วฝ่ายหญิงก็ยังไม่มาสักทีขณะนั้นไม่รู้ว่านึกอะไรฝ่ายชายจึงปีนขึ้นไปรอบนต้นไม้ในที่สุดฝ่ายหญิงก็มาแต่ฝ่ายชายกลับคิดว่าอยากปล่อยให้ราร อ, รอดีนัก ต้องแกล้งให้รอสับ้างฝ่ายหญิงนั้นนึกว่าฝ่ายชายยังไม่มาก็ได้แต่รอผ่านไปสักพักฝ่ายชายก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นเมื่อแฟนของเขานั้นเอาเนิ้วจุ่มน้ําลายและทาวนไปรอบศรีรษะแล้วก็ถลกหนังหัวออกมาวางบนหัวเขาเพื่อหาเหาฝ่ายชายเห็นดังนั้นก็ร้องลั่นตกไปจากต้นไม้กระสือตอนนั้นไม่เห็นว่าความลับถูกเปิดเผยก็กําชับชายคนนั้นว่าห้ามนาเรื่องนี้ไปบอกใครชายคนนั้นก็ให้สัญญาแต่กระสือสาวไม่ไว้ใจ จึงยืดมิดโกนให้ชายคนนั้นกลืนลงท้องและบอกว่าหากนําเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังมิดโกนในท้องจะบาดไส้ตายทันทีและด้วยความกลัวตายชายคนนั้นจึงได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ยอมเปิดเผยแล้วเวลาก็ผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีสิปีร้อปีชายคนนี้ก็สังเกตเห็นว่าในขณะที่คนรอบข้างของเขาต่างพากันล้มหายตายจากไปแต่เขายังมีชีวิตอยู่ต่อมาได้เป็นร้อยรอปี และเมื่อมาถึงตอนนี้ชีวิตที่เคยหวงนักหนาก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีค่าอะไรแล้วเขาเริ่มรู้สึกเบื่อและต้องการก้าวข้ามการมีชีวิตเหมือนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาที่พากันตายจากไปหมดแล้วในที่สุดเขาจึงได้ตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เขาได้เก็บงำมาหลายร้อยปีให้ผู้คนได้ฟังและแล้วเขาคนนั้นก็ได้ลาจากโลกนี้ไปอย่างสมใจครับและก็จบตานานกระสือที่ท่านสมาชิกอยากจะฟังกันนะครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ส่งข้อมูลมาให้ด้วยครับและหากผมมีข้อมูลอะไรใหม่มาผมจะนำมาแถายทออให้ฟังต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ